เรารู้คอยมีสตินะเราคอยรู้ทันความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายที่เกิดขึ้นในใจเราเรื่อยๆอย่างเราบางคนขายของวันนี้ไปขายของไม่มีลูกค้าเลยใจฝ่อเนี่ยเรารู้ทันใจที่ฝ่อหรือเป็นข้าราชการนะวันนี้นายเรียกไปนะใจเต้นเลยไม่รู้จะโดนดุอะไรเนี่ยสมมติกาลังขี้เกียจอยู่ช่วงนี้ขี้เกียจพอนายเรียกนะใจไม่ค่อยดี หรือเวลาช่วงนี้ทำงานดีคิดว่านายต้องเรียกไปชมนะมาได้รับการเรียกนะั้นดีใจถ้าไม่เรียกรู้สึกผิดปกติน่าจะเรียกนะน่าจะชมเราบ้างเนะี่ยการปฏิบัติจริงๆไม่ยากนะเราคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองไปใจเราแต่ละวันแต่ละวลาไม่เคยเหมือนกันเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายให้เรามีสติให้แล้คอยตามรู้ความรู้สึก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 พ่อแม่ตายสามีปัญญาตายใครเคยมีลูกตายบ้างมีไหมมีลูกตายเนื้อชีวิตมันแต็มไปด้วยความไม่สมบันนตินะความลักคลาถ้าใจาเราคิดแบบว่าทุกอย่างต้องถาวรทุกอย่างต้องถาวรนะพอเราเจอกับความเปลี่ยนแปลงเรารับไม่ได้เลยใครเคยรวยบนะ้างมีไหมใครเคยรวยนะแล้วฟองสบู่แตกแล้วมันไม่รวยตอนนี้นะเวลาเคยรวยใช่ไหมแล้วพอมันไม่รวยนะเฉาเลยใช่ไหม สมิตรเคยมีเงินน้อยล้านเงือล้านเดียวเฉาเลยแทบจะตายนะแล้วจะขาดใจตายแนละ้วคนเคยมีเงินสองร้อยบาทวันนี้มีพันบาทมีความสุขแล้วมีไม่ถึงล้านก็มีความสุขนะเพราะั้นเราอยู่ที่ใจเรานี่เองแล้วใครมีสติรู้จิตใจของเราไปเรื่อยนะความสุขมันก็ของโชคคราวความทุกข์มันก็ของโชคคราวอะไรอะไรก็ของโชคคราวถ้าใจยอมรับความจริงได้ว่าอะไรๆก็เป็นของโชคคราวเนี่ยความทุกข์มันจะตกหายไป เวลาเราพลัดพรากจากสิ่งที่รักเนะเราก็รู้เนี่ยคนที่เรารักในวันหนึ่งก็ต้องพัดพลาดไปหรือเราสูญเสียมีเงินมีทองเงินทองสูญหายไปเงินทองมันเป็นของโลกมาอยู่กับเราชชื้อฟังเชื้อเปล่แล้วมันก็ไปไม่มีใครหนะ้าเก็บเงินเก็บทองติดตัวไปได้ตลอดเวลาไม่มีอยู่แล้วความสุขทั้งหลายที่เราเคยเก็บสกายหามาคนทั้งหลายเนี่ยเคเก็บสกายหาความสุขตลอดชีวิตเลย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 อย่างเชมาขอพร น, นะมาจุดธูปจุดเพียนไปไหว้พระพุทธสีหิงไหว้พระทงพระธาตนะุอะไรเนี่ยอธิษฐานนะขอให้มีความสุขขออะไรนะี่ยได้แต่ความสบายใจหรอกนะว่าได้ขอแนละ้วจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไป ต, ตามการกระทําของเราเองกนะิจกทํากรรมของเราในศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาอ้อนวอนร้องขอให้ใครมาช่วยเราหรอกเทวดายินดลมอะไรเพราก็ลําบากของเขาอยู่แล้วต้องช่วยเราจริงจังอะไรนะักไม่ได้หรอก ของเราแต่เราคนเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามกรรมของเราแต่ละคนเองนั้นศาสนาพุทนี่เป็นศาสนาของการพึ่งตัวเองอยากได้ความสุขนะอยากจะพ้นจากทุกข์ก็ต้องพึ่งตัวเองอยากได้มากกว่นิพพานก็ต้องพึ่งตัวเองใครๆก็ช่วยเราไม่ได้ครูบาอาจารย์ช่วยเราได้แค่บอกทางให้เราเดินเท่านั้นทางเดินไปสู่ความพ้นทุกข์นะก็คือมีสติรู้ ก, กายรู้ใจตามความเป็นจริงเรื่อยไปความจริงของมันก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอะไร คอยรู้กายคอยรู้ใจด้วยดูมันแสดงใจรักเหมจังทุกข์ผ่านนักตาเว้ไปถ้าใจเห็นความจริงนะั้นใจจะคลายความยึดถือออกไปพระเจ้าเคยสอนวนะ่าถ้าเห็นตามความเป็นจริงจะเบื่อหน่ายก็เบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือถ้าคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดแล้วใจมันจะโล่งโปร่งเบานะั้ะใจมันไม่เข้าไปหยิบเวยอะไรอีกใจของเราที่ยังไม่ฟุ้งเอเลยจะเข้าไปตะครุบอารมณ์ตลอดเวลาไปเก็บแม่ใจจะ ก, กระโดดใส่อารมณ์ตลอดเย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 อาตมาก็ไม่มีเหมือนกันนะเพื่อขอเอาไม่ได้อยากได้เมตตานิพพานนะอยากจะ พ, พ้นทุกข์จริงๆต้องเจริญสติเอาเนีไม่ใช่ว่าเจริญสติอย่างเดียวนะคุณงามความดีทั้งหลายต้องทําทั้งนั้นศีลก็ต้องรักษาคนที่ไม่มีศีล ใ, ใจไม่สงบใจอยากทุกข์ตางนก็คืออย่างง่ายๆนะถ้าเราจะโกหกใครสักคนเราต้องคิดใช่ไหมคิดที่ไม่สงบนะต้องวางแผน โกหกเขาเชื่อไหมพาโกหกคนนี้เสร็จแล้วไปเจออีกคนนึงโกหกอีกอย่างเลยเนี่ยต้องใช้ความจํามากเลยเกิดโกหกแล้วอีกวันนึงพูดอีกอย่างหนึ่งไม่เหมือนกันนี่เสียหายใช่ไหมแลนกระทั่งโกหกนี่ยังเหนื่อยเลยต้องปรุงแต่งต้องคิดมากนไปกินเหล้าก็ต้องคิดมากนะหาเงินมากินก่อนนะแล้วไ่ชวนคนมากินกินคนเดียวก็ไม่ดีอีเงาเงาหลวงพ่อเคยเจอที่เมานะเพื่อนกันนี่ หลวงพ่อเรียนรัทศาสตร์เหมือนท่านแหนมเพอเนี่ยแหนมเพอได้รุ่นพี่หลวงพ่อปีท่านสุรินเพราะลัทศาสตร์มีอยู่กลุ่มและชอบกินเหล้าน้อยเวลาจะกินเหล้าก็ต้องชวนเพื่อนไปกินด้วยมันอ้างพุทธภาษิตได้นะบอกว่ากินคนเดียวไม่เป็นสุขนม่มีพุทธภาษิตนะลองลองนะเราลงด้วยกันมีเพื่อนคือติเวลาจะกินเหล้าใช่ไหมก็ต้องจิตใจวุนว่นวาย สติวุ่นวายจะเป็นชู้กับเขาใช่ไหมใจสงบไหมใจก็ไม่สงบนะใจก็วุ่นวายเสร็จวางแผนไปฆ่าเขาไปตีเขาใจก็ไม่สงบใจก็วุ่นวายใจที่ไม่เอาคาดมากร้ายนะใจที่ไม่ละโมบลบมากไม่เอาของใครเขาใจที่สันโดษอยู่ในผู้ของตัวเองอะไรย่างนี้ใจอย่างนี้สบายนั้นการที่เรารักษาสีน่ะเมื่อกี้มากราบขอสีนไปแล้วรักษาไว้เจาใจจะสงบ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 ศาษสมาธิปัญญานี่มันเป็นบากเป็นฐานส น, สนับสนุนกันขึ้นไปเป็นลําดับลําดับมีสีนั่นเป็นพื้นฐานนะทําให้ใจตั้งมั่นขึ้นมาใจไม่ฟ ร, ร้งซ่าใจสงบใจตั้งมั่นแล้วค่อยมารู้กายรู้ใจเรียกว่าเจริญปัญญานะเจริญปัญญาไม่ใช่ไปเรียนตำรดกตำรงกําลาอะไรมากมายนะอย่างนั้นเรียนมากๆก็ดีเหมือนกันได้ความจําพอแก่ๆนะหรือสับเสร็จเดี๋ยวก็ลืมลนะบางคนเรียนธรรมะเยอะเลยเข้า อ, อะไรได้เยอะแยะเลย แต่เดี๋ยวเยวก็ลืมแล้วพอสอบเสร็จก็คืออาจารย์หรือการเจริญปัญญาจริงๆก็คือมีสติรู้กายรู้ใจไปดูความจริงของกายของใจซึ่งมันเป็นไตรลักษณ์ไปว่าการภาวนานก็เมียอย่นี้รักษาศีไว้มีสีแล้วใจสงบใจสงบแล้วรู้สึกกายรู้สึกใจดูกายทํางานดูใจทํางา น, นแต่ละวันแต่ละวันเราก็ภาวนาขึ้นมาไปอย่างนี้นะ้วเป็นมันหนึ่งใจมันก็ฉลาดขึ้นมาเห็นความจริงแล้ว ทั้งกายทั้งใจเต็มไม่ได้วความทุกข์เพราะเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์นี่เราจงไม่ยึดถือทุกวันนี้เรายึดถือกายยึดถือใจเพราะว่าเราเห็นว่ากายนี้ใจนี้นําความสุขมาให้เราได้แต่ถ้าเรามีสติจริงๆเราเห็นกายนี้มันทุกข์นะใจนี้มันทุกข์อย่างเมื่อก่อนสลวงพ่อตอนภาวนามไม่เป็นตอนเด็กๆนะเวลานอนนี้รู้สึกมีความสุขพวกเราตอนนี้ใครยังรู้สึกมีความสุขตอนนอนมีไหมสารภาพสินะลองยกมือให้ดูแก้ง่วงเลย เยอะเลยนะเมืนอคืนนอนแล้วมีความสุขลงแก่ๆหน่อยเนีจยรู้เลยนอนก็ทุกข์นะนอนโอ้เมื่อยแล้วหลี่อีพีหลับพลิกแรงไปก็ตื่นนะมันมันทุกข์ทุกข์อิริยาบถอะไรยืนเดินนั่งนอนทุกข์ทั้งนั้นเลยพอเราเห็นว่ามันเป็นเป็นตัวทุกข์นะมันไม่เสียดายแล้วถ้าถ้ามันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายมันเป็นตัวดีเป็นตัววิเศษถ้าจะตายนอย่าเสียดายถ้าเห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์ตัวทุกข์มันจะตายเสียดายอะไรเนี่ย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 เขก็ขไม่งงโง่ปวดฟังที่เดนกมันนะ <c oughs> ฟังแล้วมันก็สติมันเกิดแล้วฟังไปสิแต่มีวันนะคนมาบอกว่าเนี่ยคนฉี่ซาเล้งอะนะซื้อของเก่าๆซื้อปวดซื้ออะไรมันเปิดฟังไปด้วยหูเราฟังแล้วดีใจนะธรมรมะโนไปถึงคนยากคนจนคนที่ทุกข์ยากอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เขาไม่มีอย่างอื่น <c oughs> <ๆ S 2> แล้วก็มีธรมรมะเป็นที่พึ่งได้น่าคึื่นใจเมื่อข่าวตามร้านโภ่วยนะ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 สังเกตจิตสังเ ก, เกงตใจไปนั่นก็ค้นทุกไปด้วยกันแล้วได้ค่อยๆฝึดแปนะอ่ะเทศตอนนี้ก็พอแล้วนาะเทศเยอะเราขี้เกียจฟังมีใครจะคุยไหมมีใครจะคุยไหมหลวงพ่อชอบนะเวทีขนาดเนี้ยไปเทศแต่ละแห่งแต่ละแห่งแลควรเป็นพันพันสองพันสามพันห้าพันเนาะเทศแล้วมันห่างไกล อยา้ดูใกล้ชิด น, นะใครชอบบอกเรื่อยว่าเข้าไม่ถึงหลวงพอ่อวันนี้เข้าถึงแล้วมีอะไรคุยไหมนี่นะหลวงพ่อให้ดูมันได้วยสมัยนี้นักตาลกล้อครับผมเคยส่งไปร้ากับหลวงพ่อเมื่ประมาณหกเดือนที่แล้วนะครับร่างสุดก็หลวงพ่อให้ไล่ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าติดเท่งครับก็ พยายามก็ผ่อนคลายลงมาครับจนวันหนึ่งไม่ได้คิดว่าจะปฏิบัติอะไรก็ขับรถอยู่ประกฏรู้สึกว่ามันเห็นกายทำ ง, งานแล้วก็มีจิตใจทำ ง, งานแล้วก็มีมีตัวรู้อยู่อะไรย่าีหลวงพ่อครับก็ไม่ทราบว่ามันเกิดขึ้นหลอกมันเกิดขึ้นจริงสิรู้สึกไหมจิตใจเราเปลี่ยนไป นะการเห็นในกายนี้ก่กของถูกรู้นะความโลภความโกรธความโลภความสุขความทุกข์ก็เป็นของถูกรู้ไปหมดเลยถ้าไม่เขาขึ้มันเกิดตัวรู้ขึ้นมาถูกไหมยถ้าเราเคยทำสมาธิมา ก, ก่อนคนที่เดินริญสติไปเล ย, เเลยไม่ได้ฝึกสมาธิให้ฝันจะไม่มีตัวรู้ไม่ตั้งตัวรู้นะแต่ว่ามีตัวรู้เราก็ไม่ได้เอาไว้ยึดถือแล้วเอาไว้อาศัยนะอาศัยรู้กายอาศัยรู้ใจไปคุณรู้สึกไหมใจมันโปร่งโล่งเบากว่าแต่ก่อนรู้สึกนะ mm hmm. นะ เราไม่ได้เพ่งเราไม่ได้บังคับส่วนใหญ่เราไปว่าภาพการปฏิบัติไว้ผิดความจริงว่าต้องเพ่งมันคือสีชีไ้ไฟเพ่งมานานเราก็ชินหนึ่งเราไม่ชินแค่าามีสติรู้กายมีสติรู้ใจรู้บ่อยๆรู้บ่อยจนกระทั่งมันเกิดสติอัตโนมัติขึ้นมารู้โดยไม่จงใจที่คุณวาดสังกัดก็รู้สึกไหมไม่ได้จงใจครับแต่ละขันมันแยกออกไปนะกายก็ส่วนกายเห็นไหมเห<บ>็นกายขับรถไปเห็นจิตเปนคนดูไป จะเห็นความรู้สึกที่ผ่านมาผ่านไปคือคนล้านโคนล้านกันหมด น, นะอย่างนั้นนะเราดูครับตรงนั้นมันเกิดปุ๊บผมก็กลายเป็นดีใจแทนเพะว่านี่เองที่ที่หักแดงมานานแล้วหายไปเลยครับดีใจแล้วรู้ว่าดีใจนะถ้าอยากให้เป็นจะไม่เป็นครับนะเรามีสติรู้กายมีสติรู้ใจดูเล่นๆไป เ, เ, เรื่อยถึงเวลาที่เขาขอสมควรแนละ้วเขาก็เห็นเองกลับไปเห็นทั้งมันนะ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 ดีเท่านะมโหธาณะขอบคุณถึงท่านแหลมเผอท่านยกมือเดี๋ยวนี้เดือนไม่ขึ้นกรรมการบ้านการครับอยู่ตรง้อได้่านงสอแล้วก็ฟัทีวีมาลเ่องนะครับเราพยายามก็เห็นความไม่ใอ่ดีไม่ดีบางคนหลายอย่างบางทีก็ช่เหลือกด้บ้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 กิเลสฝุดขึ้นในใจเราพอรู้ทันนะพอเร า, ารู้ทันนะเราก็ละอายแ่ใจที่จะทําความชั่วนะเรารู้ว่าทํำไปแล้วก็ไม่เป็นผลดีนี่เรียกว่าเกรงกลัวบาปเราก็จะค่อยๆมีสีขึ้อนอัตโนมัตินะงั้นมีสติมันก็จะเกิดทีริโอสปะละอายใจที่จะทําชั่วเกรงกลัวผลของบาปใจก็จะมีสีขึ้นมาโดยอัตโนมัติค่อยฝึกแปลใจก็จะตั้งมั่นสงบขึ้นมาพอเรามีสีนะใจเราสงบง่าย มีสมาธิมีปัญญาเป็นลําดับลําดับไปไม่ยากหรอกตอนนี้ท่านอำเภอหนีไปชิดทราบไหมใจไหลไปชิดเอารู้ว่าใจไหลไปชิดเนะชิญต่อไปออท่านี่านให้สื่อทีที่บ้านาอะไรนะคะมีหัวข้อว่าท่านไปเทศที่ให้จิตแค่ฟังนะคะอยากเรียนถามว่ามีหัวข้อสําคัญอะไรยังไงที่เป็นประโยชน์กับประชาชนทั่วไปบ้าง ในใจว่าที <topics> ่ร so huh <and skin> ้านฉันเป็นร้านขายยาฉันมีพวกที่มีปัญหาทางจิตมาซื้อยาแล้วก็ต้องการให้เราปล่อยใจแล้วก็ต้องการให้เราเปดสารเสพติดด้วยเนี่ยก็ตามเองก็ไม่ตามนะคุยกันหลายชั่โมเลยคงดีอยากจะให้ข้อความดีกับเาว่าเอาทีดีดูข้อไปแจกเข้าไปที่บ้านแจกดีนะแต่าแจกแผงไหนดีคะแผงไหนก็ได้เหมยกับทุกแผงเท่นเหมกันทุกวันคือคนเครียดนะนี่เป็นเท่นให้กิตแพทย์ฟัง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 เกิดทางจิตนะถ้าเกิดจากร่างกายไม่หายนะถ้าเป็นทางร่างกายไม่หายเนียสมองพิการไปอย่างนี้ไม่หายแต่ถ้าเกิดจากจิตใจมันเครียดอะไรอย่างนี้ภาวนาแล้วหายแต่ภาวนานให้เป็นนะภาวนาผิดเราเครียดมากกว่าก่าอันนั้นใช้ไม่ได้ค่ะเชิญกราบธรรมสกาวพ่อค่ะออคือโยโมมาเลยได้ซีดปแผ่นนเวลาแล้วกเปิดไฟต้องใช้คําว่า ้องมีบุญได้ซีดีมาแผนบางเอนไม่มีได้รอแข่งก็แบบเปิดฟังบ่อยมากนะคะเดี๋ยววันนี้ได้อีกแผ่งนะเดีวันนี้ก็ไปเปิดเว็ไซต์จุา่ก็อยากจะไปปฏิบัติธรรมที่ว่านของพ่อมากเลยก็วันนั้นพอดีบังเอนก็ได้บางเอยอีกแล้วัวลูกสาวเขาไปไปงนเห็นไหมเรามีเจตนาเห็นไ จนลูกสาวกับรถไปที่มีพังเอิญมีแต่กรรมร้วนๆเลยแวัดนโอ้นี่ไม่ได้เปิดข้อมูลเปิดดูไม่เหม่อันนี้ก็กลับมาบ้านจมาดูคือไอ้ที่ตามปฏิบัติธรรมแบบจะไม่ดีเลยนะคลพวก็แบบมันจยาวมามากเลยปีห้าสี่ห้าห้าอะไรเหรออยู่ที่จะอยู่วัดเหรอปีหกหนึ่งต่างหาก แต่ตอนี้เราครอบิดแล้วไม่ได้ให้จองโยงอยู่ที่ไหนล่ ะ, อละโ อ, อ, อ้ขับรถไปฟังเออขับรถไปนี่แหละแค่น้องเขาพา ไ, ไปคนเขาไปใช่เยอะแยะนะคนเมืองชนไม่ไปฮายเขานะเขามาถึั่วประเทศเลยแล้วมีปัญหาอะไรพ่อคะถ้าเกิดในบางทีที่มีโยงถคนในพืที่หลวพ่อ บอกว่าที่เขาทําไม่เป็นมาแล้วเขาปฏิบัติเอาจากที่เขาได้ทําเป็นชีวิตประจำวันเราปฏิบัติไปนั้ น, น, น, น, นก็ได้ได้ได้ฝึกในชีวิตประจำวันนะเราพอรู้ตั้งแต่ตื่นเลยเป็นแค่ราชการกหรือเปล่าเป็นแค่เป็นปนาลองนึกดูสิตื่นเช้าวันจันทร์ความรู้สึกไม่เหมือนตอนตื่นเช้าวันศุกร์รู้สึกไ <c oughs> อเนี่ยเราคอยวัดใจตัวเองไปเร่อยหลวงดดพ่อรู้ดีเลยเพราะเป็นราชการมานา น, น <c oughs> วันจันนี่นะว่าเบื่อที่สุดขี้เกียจที่สุดเลยวันอังคารนี้ก็แห้งแรงใช่ไหมวันพุธสุดเบื่อเลยต้องพลวยจะมาฟังเทศน์ฟังพอวันพฤหัสเนี่ยเริ่มมีความสุขแล้วถึงวันศุกร์นะนึกขึ้นได้ว่าวันสุกใจก็ประดีกฐ์ดาเนี่ยเราเคยรู้ความรู้สึกของเราความรู้สึกของเราแต่ละวันไม่คือเหมือนกันในวันเดียวกันเช้าสายปลายเย็นก็ไม่เหมือนกันเราเคยรู้ไปจิตใจของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตามการกระทบ ตาเรามองเห็นเห็นคนนี้ดีใจเห็นคนนี้เกลียดหูได้ยินเสียงเนี่ยคนนี้เขาชมคนนี้เขาด่าเสียงเพลงนี้เพราะเพลงนี้ไม่ไม่ชอบมีหมาเห่าตอนดึกตอนจะนอนเด็ดลำคานหูไปได้ยินเสียงความรู้สึกเราก็เปลี่ยนจมูกเราได้กลิ่นความรู้สึกเราก็เปลี่ยนลิ้นเราก็ได้รสชาตินะอร่อยอร่อยหรือแม่อร่อยเนี่ยความรู้สึกเราก็เปลี่ยนกายกระทบสัมผัสอย่างหนาวหนาอย่างนี้แล้วลมช่วยมาลมหนาวหนาช่วยมาสดชื่นไหม สยองนะใครอยากรู้รสชาติของชีวิตแนะนํำนะวันนี้เราไปอาบน้ํานในตุ่มดูเ <laughs> เห็นตุ่มก็สยองละใช่ไหมใครเคยอาบน้ํานในตุ่มไหมเนี่ยถ้าใครไม่เคยนะนีแต่เครื่องทําน้ําอุ่นอะนี้ชีวิตไม่มีรสชาติเนี่ยกายกระทบสัมผัสในความรู้สึกต้องเปลี่ยนอย่างกำลังร้อนๆอยู่ได้รับน้ําเย็นๆใช่ไหมลากลงไปพอใจกำลังหนาวๆ น, นะน้ํายังไม่ทันถูกตัวเลยแค่เห็นตุ่มน้ําก็กลัวแล้ว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 ถึงตรงนั้นน่นม like ันด so so ีจริงๆใจลอยรู yeah. ้จักใจลอยไหมเออใจลอยก็คือหลุดการลุดใจเคยส่งคำว่าของพ่อนะคะแล้วหลพ่อบอกว่าใจว่างเสียเวลาถ้าเกิดดีแบบนี้นะคะเวลาเวลาต่อจาันนี้นะะดีขึ้นแล้วรู้สึกรู้สึกไหมมันกลับมาอยู่กับโลกไปเยอะขึ้นแล้วรู้สึกไหมแล้วไปอยู่ว่างๆไม่มีอะไรสบายไปเผลอๆไปวันๆเท่านี หน้าที่ของเราชาวพุทธนะไม่ใช่ไปวิ่งหาความสุขในความว่างๆนั้นพระเจ้าสอนให้เรารู้กายรู้ใจให้เราเจริญสติปัฏฐานนะแล้วใครดูกายทํางานดูใจมันทํางานอย่าตอนนี้ใจไปคิดรึปะไหมใจไปคิดก็รู้ทันว่าใจมันไปคิดใครรู้ได้ได้ๆแต่จะเห็นมันเปลี่ยนแปลงดีขึ้นละรู้สึกตัวไหมว่ามันดีขึ้นรู้สึกไหมว่ากิเลสเกิดบ่อย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 ได้หาดูพอเออดีสวัสดีภู ม, ค, มคือคูมเมื่อชนิดภาษาคือคูมภาวนาแล้วเป็นเป็นดีตอนที่ใจมันเป็นปกติแต่เวลาเ้อภาษาแรงๆแล้วมันมันกระทบตัดมันรู้ไม่ได้ครับภาษาแรงๆแล้วมันเหมือนบททดสอบเรานะถ้าภาษาแรงขึ้นมาแล้วเราก็ทําไม่ได้แ ส, สดงว่าเรายังฝึกน้อยไป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 ดูอีกดีขึ้นเยอะแล้วเจอกันครั้งนี้พอนานดีขึ้นเยอะนะดีกว่าแต่ความเยอะเลยเหลวงพ่อแค่ช่วงยี่เกิดสห า, หาวะเยอะมากแล้วช่วงไหนที่ไม่มีสภาวะ <c oughs> ไม่มีหรอกนะทีสภาวะที่เป็นโกเออต้องเจอปัญหาเยอะ <c oughs> ใจก็โกรธบ่อยแล้วทําไงดีเ <c oughs> นี่ยรู้คําตอบอยู่แนละ้ว <c oughs> ใช่ไหมแต่ว่ามันยอมไม่ได้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 ไม่มีเราความทุกข์ที่ไม่ผ่านน่ะแต้องประการของ่อครับว่าไงรู้สึกตื่นเต้นรธรรมดาผมไม่รู้ว่าตอนนี้ปฏิบัติไม่รู้เป็นไงครับแต่ว่าความอยากลดม้อยลงมานา้วดีขึ้นสิบใจมันโปรง่งร่องเบาว่าขึ้นดูได้รู้ตัวได้บ่อยขึ้นะคอยดูมันทํางานดูมันทํางานไปเรื่อยๆไม่บังคับนะ พอเราตืนเต้นเราก็ไม่อยากให้บางไม่อยากตื่นเต้นไม่กดเอาไว้ใจก็ครียดเครียดถ้าตื่นเต้นก็แค่รู้ว่าตื่นเต้นเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นสบายสบายใจหลงไปคิดดูออกไหมเวลาที่ใจไหลไปคิดนะรู้ทันมันก็หลงกนะันแหไม่ห้ามนะแต่รู้บ่อยๆให้กันบ้านนะใจหลงไปคิดแล้วรู้ใจหลงไปคิดแล้วรู้อไปทำตรงนี้นะแล้วตัวรู้นี่กับความคิด คนละตัวสตวิตัวรู้ตัวรู้ตัวจิตนะความคิดเป็นสิ่งที่จิตปลุงขึ้นมาอย่าบังคับไว้นะของคุณผู้ชายอย่าบังคับตัวเองอยู่หลอยให้มันเคลื่อนไหวแต่แล้วมีสติตามรู้มันไปนะสิ่งที่ให้กันบ้างก็คือจิตแอบไปคิดรู้ว่าจิตเผลอไปคิดแล้วตอนที่จิตเผลอไปคิดเนะี่ยเราลืมกายลืมใจตัวเอง มีกายก็เหมือนไม่มีะละดื่มไปอย่างขนาเนี้ยรู้สึกไหมลืมร่างกายไปแล้วมีจิตใจนะจิตจะสุขจิตจะทุกข์จิตจะดีจิตจะชัว่วไม่รู้เลยหมวแต่ไปรู้เรื่องที่คิดนะแั้นความคิดนี่แหละปิดบังความจริงทําให้เรารู้กายรู้ใจไม่ได้เมื่อไหร่เราหลุดออกจากโลกของความคิดได้เราจะอยู่ในโลกของความจริงเราจะรู้กายรู้ใจได้ดังนั้นอย่าไปหลงคิดอยู่นานๆนะคิดเป็นวันๆเสียเวลานานใครรู้สึกบ้างคิดทั้งวัน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 เถ็นได้แบตหนึ่งนะเดี๋ยวก็หลงใหม่เชิญการมาส่งการหลวงพ่อค่ะก็คือเอประมาณวันสองสาวันเมือเนี้ยค่ะมีโอกาสโชงดีที่ได้โชคดีไม่มีนะคือได้ได้ CD ของขลวงพ่อค่ะประมาณก็ือสองวันที่แล้วค่ะแล้วก็ได้ไปที่วัดสมาทินะคะก็ฟังแล้วรู้สึกว่ามันธรรมะมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามาแล้วเราก็อยากจะปฏิบัตินะคะแต่ทีนี้ว่า ก็คือเพิ่จะเริ่มฟังแล้วก็คือยนรู้สึกความสับสดระหว่างองารมณ์กับการยค่ะเราเป็นิักทีมคนที่ชอบคิดมากคีดหลายเรื่องในแต่ลวันเราไม่ต้องวิเคราะห์มากนะง่ายๆเลยคอยรู้ความรู้สึกของเราไปเรื่อยๆเห็นก่นในใจเราเราคิดเรื่องนี้เกิดความรู้สึกอย่างนี้คิดอย่างนี้ความรู้สึกอย่างนี้คอยรู้ทันความรู้สึกไปเรื่อยๆนะแล้วนี่ในหนูฮะควรจะเออ ่อวาดูจิตไปดูจิตต่เลยนะเพราะว่าเป็นคนช่างคิดนะแต่ของควรสุดท้ายก็ต้องดูกายด้วยแหละเพราะมันรักสวยรักงามด้วยนะรักสวยรักงามรักสุขรักสบา ย, ยนะอย่างเงี้ยเราจะดูกายะแต่ตอนนี้ดูจิตไปก่อนสังเกตไหมจิตเราแต่ละวันแต่ละเวลาไม่เหมือนกันนี่แหละใครรู้อย่างนั้นนะดูให้เห็นความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ดูให้มันนิ่ง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 ต้องนั่งก่อนต้องวางฟองก่อนใช่ไหมบังคับกายกันแล้วก็บังคับจิตนี่อย่างนี้ก็มีนะอีกพวกหนึ่งก็บังคับให้เคล <c oughs> ิน้อมเราบิดเปือนตลอนเลยเพราะฉะนั้นตอนแรกเราต้องสบายค่อยๆไปค่อยๆใจญ่เราต้องค่อยๆดูไปสบายๆนะต้องสบาย ความสุขเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความสงบเพราะ้นเรารู้ว่าอย่างมีความสุขอย่างหลวงพ่อนนะตั้งแต่เด็กๆชอบหายใจชอบดูลมหายใจหายใจแล้วมีความสุขเพราะเราหายใจแล้วเราก็รู้สึกตัวไปหายใจแล้วรู้สึกตัวไม่ได้หายใจแล้วน้อมให้ซึมนะหายใจแล้วรู้สึกตัวไปใจไม่ไม่นหนีไปไหนใจสงบใจมีมีความสุขที่ได้รู้ลมหายใจจิตนั้นเหมือนเด็กอะเด็กโซนๆหนีไปจากบ้าน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 มีปีศีไม่มีสุขไหมไม่มีนะถ้าบบัังคอถ้ามันสงบเป็นตามรู้ตามดูแล้วมันสงบลงไปไม่มีความสุขนะงั้นอยากแคนิ่งด้วยการบังคับเลยเหนื่อยม า, ปะะาเปล่าสำหรับค่ะ เ, เหมือนกันตายไปที่ส่วดปฏิธรรมมาค่ะแล้วทีนี้มัม้ต่างกับแม่ทีค่าว่า นอน่งเงียบแล้วมีวิชวลเงี้ยขีนนอนหลักแล้วรู้เห็นจิตของหงออกาะลอกลางแล้วเปอยู่องครั้งคครั้งที่สองนี่มีความเหมือนกัว่าได้ยินเสียงของพ่ออ่ะว่าตอนนั้นเกิดอาวที่ตกใจแล้วก็ได้มีเสียงของพ่อว่ากลัวให้รู้ว่ากลัวก็อย่างนั้นแหละอืมมันก็เหมือนกั ของหนูเออทีนี้เพื่ชีบอกว่าเป็นการที่ว่าอาให้หนูเลิกเลิกเลอกปฏิบททัติตามรูปแบบอะค่ะให้ให้ให้ทำเหมือนกับทางานบ้านไปอะไรไปอย่างเนี้ยค่ะตอนนี้มนมมไม่เขาคงคงแม่ฉีผมไม่ได้ให้เลิกปฏิบัติหรอกอ่า น, นั้นคงจะเคร่งเครียดมากไม่ฉีดถึงให้เลิกนะไม่ใช่แค่ว่าเห็นกายมันแจกจิตมันแยกว่าให้เลิกหรอกนะ ตอนนี้นจิต ด, ดีขึ้นดูออกไหมทํางานบ้านไปอย่างที่แม่ชีสอนแล้วแนละ้วทำงานไปแล้วเห็นร่างกายเคลื่อนไหวทํางานไปแล้วเห็นจิตเคลื่อนไหวนะที่แม่ชีให้เลิกเลิกนั่งสมาธิก่อนนะเพราะนั่งแล้วเห็นโน้นเห็นนี่อย่างสินั่งแล้วเคลิ้มนั่งแล้วอย่างน้นอย่างนี้นะ <c oughs> ไม่ใช่นั่งแล้วมีสติถ้ามีสติก็ไม่เลิกหรอก <c oughs> ดูไปดูกายมันทํางานไปนะ แค่แค่ภทวนาไม่ยากอะไรการปฏิบัติทําง่ายจะตายไปตามพิการของพ่อค่ะเคยส่งการต้อนพ่อครั้งนึงแล้วค่ะอ่ากดูว่าตอนนี้หนูพ่อแม่ว่าไหมค่ะหนูพ่อจาไม่ได้ว่าครั้งก่อนทํากันได้ไม่เท่าไหร่ท้องเซย์บอกว่าภาวนาดีๆค่ะแต่ไม่แน่ใจตัวเองว่าตอนนี้ไปดูไปดูใจที่ฟูกสซ้านนะใจมันฟุ้งซ่านเก่งรู้สึกไหมนะ ใจฟูซ่านรือว่าใจฟูซ้านดือย่างนี้รู้ไปเรื่อยๆตอนนี้รู้สึกว่ามืหยียดกับลูโฟนลูกบ่อยมากนั่นแหละรู้ทันนะมันไปฟูฟูฟูปไปมือหยียด น, นะแล้วเวลามีความสุขไหมทีมเม่เกิดไหมมันสั้นนิดเดียวความสุขมันสั้นนิดเดียวรู้สึกไหมในบางครั้งมันซึ้มึ้มมีความสุขอ่ะมันแค่เปลี่ยนสุขไมไม่เปลี่ยนอ่ะเราภนานแล้วมีความสุขขึ้นมาเหรอ ในบาครั้งาบ้านมัเพลินนะคะใช่เพลินไม่เอาผิดแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเอง <c oughs> อะรู้กายรปาต้องรู้กายรู้ใ จ, <c oughs> จ, จ, จนะถ้ามีความสุขให้รู้ว่ามีความสุขมีความสุขแล้วพอใจให้รู้ว่าพอใจนะ <c oughs> ไม่ใช่มีความสุขแล้วเพลินๆนะและ่ใาสรพอนะคะคหนูได้ไปผ่านตามทีีที่ได้ังนะแต่ว่า ก็มีคนคิดบ้างตัวเองเชือว่าตอนที่คีดว่าตัวเองรู้ตัเองเช่อว่ารู้รู้ว่าคิดกระก็กรู้่าสิเป็นเหตุให้ใจรเราไม่เหมือนเดิมดูออกไหแต่เราโปร่งโรคเบารู้เนื้อรู้ตัวเลื่ยไปขึ้นไปขึ้นนะถ้าเราภาวนาถูกต้องมันจะมีพัฒนาการที่มองเห็นได้แล้วพัฒนาเร็วด้วยไม่ใช่ช้านะไม่ใช่ทําอะไรปีเหมือนเดิมหลายปีเหมือนเดิมจะได้ว่าทํำผิดเละ แล้วก็สะเทือนไปต่อ่างนี้เรื่อยดูไปเรื่อยๆนะเพรามันโมหะียนะโมหะก็เกี่ก็รู้ไปโมโหขึ้นมาก็รู้ไปใค่ะใจลอยบ้างมีไหมใจลอยใจลอยใจลอยอใช้ได้หลวงพ่อเปียนตัวนาให้ยกใช้ได้ถ้ารู้จักใจลอยนะเรานาง่ายนะ ผมพ่อครับคือมาบอกผมเ่องอาการสานะครับก็คือผมฟังดีๆของหลวมาก็หลยเรือนยังไม่เคยยังไงถามว่าถามผถามลพ่เลยนะครับไม่อ่า้็จะไปเกี่บางนะเวาว่าเวลาผมนอนหลับกเ่อนมากมายไปแก้ยัจิตจิตเสฝันเนี่ยมันมีหลายสาเหตุนะร่างกายไม่สบายก็ฝันนะ ใจเรากลางวันเรี่ยห ม, มกมุ่นอะไรมามากๆ ม, มันก็ฝันเพื่อระบายความเครียดก็ได้ะเหตุของความฝันมีทั้งหลายอย่างคือแต่ก่อนนั้นก็เป็นนะอ๋อผมคิดว่าผมทำสมาธิผีดวิธีเพราะว่าก่อนหน้าที่จะเจอดีของหลวงพ่อเนะะียครับผมก็คือฟัของของหลงพ่อและเรียนรู้เลยว่าตั้งแต่ปฏิบัติแก่อนมาผิดหมดเลยนะครับแต่วตอนนี้ทำไมมันแต่ว่ามันต้องฝันแรบคืนคนโอ้โห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 มันพักผ่อนพอสมควรแล้วมันก็ขึ้นมาคิดอันนี้หมายถึงกรณีปกตินะถ้าอย่างร่างกายไม่สบายอะไรเงี้ยบางทีก็ฝันฟู้งแต่มันไม่ปกติตรงที่ว่าพอได้รับเลยมาแล้วเนี่ยมันมันเหมือนมันไม่ได้นอนเลยเทียว่าต้องก็โผล่หัวเล่นหัวที่มันเป็นอย่างนี้มาสองสมเดือนแล้วคือเก็แบบนี้อยากจะหลบพ่อมากเลยว่าผมพ่อผมจะหลบคือคือคือจริงจริงนี่ยากอะไรนะ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 ใจมีความสุขตอนเรียกใจเรากังวลว่ามันคิดตลาดคืนเป็นฝันตลาดคืนกังวลไหมแต่ตอนไม่กังวลพอมันเดิอดีนิดหน่อนี้ก็ล้มลงไปด้เยอะแต่พยายามที่จะบอกว่าไม่ไม่กังวลยังไงแต่ต้องฝ่ายน้องใหม่มเติอนห้าไม่ได้หรอกนะจิตมัน<อ>จะทํางานแล้วบางคนนะบางคนมันเป็นจากร่างกายก็มีหลวงพ่เปิดจอคนหนึ่งสมองเนี่ยสปารตลอดคืนเลยอันนั้นเป็นทางร่างกาย เพราะคุณไม่ได้เป็นอย่างเขาหรอกผมที่ยอดสน้จก็คือที่ฟังพ่อหรือฝ่ายผิดไอ้ที่ผิด<อ><อ>มันเป็นอดีตไป็นโมลัะ<อ><อ>ตอนนี้เรามีสติอยู่กับปัจจุบันเรื่อยๆไปแล้วอย่าไปกังวลว่านอนไม่พอร่างกายมันหลับนะ<อ>จิตทหารที่มันไม่หลับเพราะนั้นร่างกายเนี่ยได้พักผ่อนบางทีนะบางทีภาวนาให้นอนนอนอยู่เนะี่ยจิตมันถ อ, อดออกมาเห็นร่างกายนอนอยู่เป็นนหะ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 ของหลวงพ่อครับหลวงพ่อเคยเป็นนะตอนนั้นรับราชการอยู่แต่เราก็ชอบนั่งสมาธิทุกวันเอะน่ะมีไปต่างจังหวัดเนะอะยังเป็นผู้น้อยในห้องหนึ่งต้องนอนสองคนรวมเมรุหลวงพ่อมันเป็นล่นน้องอีกทีแล้วพอเราหลับไปนะแล้วมันตื่นขึ้นกลางคืน่ะมันเห็นหลวงพ่อนอนอยู่คนหนึ่งนะหลวงพ่อนั่งอยู่อีกคนหนึ่งแ <c> ป <oughs> ลว่าหลวงพ่อเลี้ยงผีนั่งซุ่มปองกลางคืนเลย <c oughs>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 ได้มาฟังประธานของอาจารย์ต่าขมติชนของก็ของญาติกาของคุณทาารย์ต่างงมติชนในโอกาสนี้นะครับที่ได้ยุนาให้เวลากับนัิจและก็ผู้ป็นประธา ภาวนานะภาวนาไม่มีอะไรดีเท่าภาวนาเองวันหนึ่งต้องพはは้นทุกข์ให้ได้นะชีวิตเราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะทุกข์ตลอดกาลถ้าภาวนาวันนึงเราพ้นทุกข์เกินได้เลยเดี่ยวหลวอไปก่อนเราต้องให้พรไหมจอไม่ขาดหลอดขอท่านพระสห์ท่นเปิดป็นผู้แทนนะเพื่อเข้าวงของการแบนี้ขึ้นอันนี้ขึ้นไปืึ้นไปามแ ทั้งใจนะให้ใจทำใจให้สงบอุทิศส่วนบุญของเราให้ผู้มีพระคุณทั้งหลายให้สัตว์ทั้งหลายนะตั้งใจอยะถาวารีวหฮาปูราปริปูเรนตีสาพลังเอวามวาวิโตหินังเปตานังอุภกักปติอิชิตังปติตังจุมหังคิดเะเมวาสมิฉตุ สัพเพกูเรนตูสังกัปปะกันโตพันรโสยะขามณีโชติระโสยะขาสัพพีติโยวิวัชชนตูสัพพโรโควินาสโตมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่ขายุโภวะอาภิวาคนาสีลิสนิจยังหุทาปจายโนจักตารโรธรรมมาวัทันตีอายุวันโนสุขังภะลัง